วันนี้หลวงพ่อจะทำเวลาสักหน่อยนะลูกหลานนะเร็วๆนะเพราะว่าหลวงพ่อจะได้เดินทางฉันจะขันเสร็จจะไปขึ้นเครื่องนวันนี้ทำไมลูกหลานก็คงอยากจะรู้คือคุณเฉลียวกระทิงแดงนะท่านมรณาภาพได้สองวันมาแล้วหลวงพ่อก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหาหลวงตา เป็นพระถ้าจะวัดใหญ่ก็ไม่ใช่จะเล็กก็ไม่ใช่รุ่นค่อนข้างใหญ่ในลูกศิษย์หลวงตาแล้วก็โยมคุณโยมเฉลียวนี่ยก็ตระกูลนี้ก็ดูแลอุปถัมภ์ปถากหลวงตาโดยความเคารพคารวะอย่างยิ่งในเมื่อท่านล่วงลับกันไปลูกหลานของหลวงตาก็ต้องให้ความสำคัญต้องให้ความเคารพนับถือ ในองหลวงตาด้วยในญาติผู้ใหญ่ของหลวงตาด้วยอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะต้องไปอีกส่วนหนึ่งก็ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์ะถากวัดเรามากนะเนอะตระกูลเนี่ยกระทิงแดงคนะ่าวหนึ่งตอนที่หลวงตาอนุมัติเงินเพื่อสร้างพิพธิธภัณฑ์โยมฉเฉลี่ยกับดรเฉามาวัดวันนั้น มาด้วยกันมาหลวงพ่อพาไปดูด้วยพาไปดูช่งฝายห้วยลางว่าอย่างไรกับร่งเริ่มทํากําแพงเริ่มแรกเลยท่านเคยมาวัดเรานะต๊กแกโยมเฉลียวอยู่วิทยาเนะ่กับดกเตรชาวมาด้วยกันมาถามว่าจะจะทํำยังไงหลวงพ่ออธิบายให้ฟังหลวงพ่อก็มั่นใจว่ากําแพงของเราเนี่ยคงเป็นเงินของคุณเฉลียว แต่หลวงตาเป็นผู้อนุมัติหลวงตาเห็นอนาคตว่าจะเป็นยังไงแต่คุณเหลียวเป็นผู้ออกเงินหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นแต่ข่าวนี้ท่านได้มรณาภาพลงไปหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าท่านป่วยยังไงเพราะคนระดับนี้แล้วก็ทุกขิงทุกอย่างเขาคงจะเงียบแต่กราวนี้เมื่อหลวงพ่อได้ทราบข่าวหลวงพ่อก็จะได้ลงไปฟังสวดอภิธรรม ในเห็นวันนี้ยแต่ส่วนจะกลับวันไหนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่มั่นใจอีกเหมือนกันแต่ว่าวันที่ยี่สิบสามเนี่ยหลวงพ่อจะได้ไปเทศที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรตอนบ่ายสามโมงแต่จะได้มาหรือเปล่าทาให้ได้มาก็ต้องแจ้งข่าวมาเรียกว่าคุณแม่ชีแก้วนเหมือนกัน ทำไม่ได้มาก่อนลุงพ่อก็จะแจ้งเขาให้ทราบไปทางหนึ่งมันก็ต้องขาดทางหนึ่ง น, นั้นเป็นธรรมดาจะแบ่งภาคได้ยังไงปอลหลวงู้่ออินยังไม่ตายใช่ไหมถ้าหลวงู้่ออินตายเลยพาครึ่งเลยไปทางไหนทางไหนแบ่งส่วนอันนี้นจะทำยังไงได้ไปทางหนึ่งมันก็ต้องบอกทางหนึ่งเอาไว้ทางหนึ่งจําเป็นและสําคัญยังไงลุงพ่อจะต้องได้คิด ละเอียดถี่ท่วนซะก่อนว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ถึงยังไงก็มีนาคที่มาจะบวชในวัดของเราก็บอกให้ทราบแล้วเมวื่อวานะมีอยู่สิบสามมีนาคเนนหนึ่งมีนาคพระสิบสองที่จะบวชวันที่ยี่สิบห้าก็ขอให้พวกเราทุกคนนะกันศทศธาญาติโยมทางในครัวก็ คงจะได้ไปทําบุญเกี่ยวกับคุณแม่ชีแก้วอย่าให้ขาดตปกปกพ่องพวกลูกหลานที่อยู่ที่บ้านนะให้ช่วยๆกันดูพร้อมกับพระหลวงพ่อเองนะ่ะไปหน้าห่วงหลังไปหลังห่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็มอบอความไว้วางใจกับลูกกับหลานให้ช่วยๆกันดูน ะ, ะการบวชพระแขกก็จะต้องมาเป็นร้อยเพราะว่าพ่อแม่ของนาคเราจะยกเว้นก็นไม่ได้ ในช่วนั้นพอขอมาขอมากับขอมาแบบกระชั้นชิดสักหน่อยหลวงพ่อก็ตอบจดหมายไปพอตอบไปก็กรุงของคุณแม่ชีแก้วด้วยในช่วงเดียวกันแต่ทางนน้นก็ได้ตีตั๋วเครื่องพร้อมไวแล้วอรถก็เตรียมไวแล้วบอกญาติพี่น้องไว้แล้วนะมันก็ยกเลิกไม่ได้เมื่อยกเลิกไม่ได้ก็ต้องไปตามนั้นเราจะทํายังไงได้แล้วก็ต้องไปตามของเราอีกจะไหน มันก็เลยงานอยู่ที่วัดของเราคนก็จะมาวัดของเราวัดของเราก็จะไปงานของคุณแม่ชีแก้วเทนนี่นแหละขอให้พวกเราที่อยู่ในวัดแบ่งกันไปแบ่งกันอยู่นะนะให้แบ่งกันไปแบ่งกันอยู่ให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันคิดเพื่อดูแลพระพุทธศาสนาดูแลวัดวาดศาสนา ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะั่นแะมอบให้พวกเราทุกคนไม่ใช่จะเป็นของหลวงพ่อคนเดียวแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเสร็จทางไหนแล้วหลวงพ่อจะรีบกลับมาเหมือนกันมาหาพระลูกพาหลานที่บวชใหม่ก็เป็นห่วงทางวัดนะแต่ขณะที่บวชนะั้นก็หลวงพ่อจะได้สั่งพระเอาไว้ว่าปฏิบัติอย่างไรในการบวชเพื่อให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่น มาให้มีอุปสรรคนะขอให้พวกเรานะักกูบาทั้งหลายก็เหมือนการให้ช่วยกันดูแลนาคพักพาอาศัยที่ไหนแล้วก็พร้อมกันเมื่อบวชพระใหม่เสร็จแล้วญาตพี่น้องก็คงจะไปส่งพระใหม่ที่กุฏิอันนี้เขาก็พูดไปแล้วขอให้พระเก่าช่วยช่วยกันดูดูแลกุฏิที่พระใหม่ให้เรียบร้อยแตทางไปทางมาให้ดูให้จัด แต่ก็จัดเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าก่อนถึงวันนั้นก็น่าจะไปดูอีกให้เรียบร้อยขึ้นอีกเพราะญาติพี่น้องจะไปดูที่พักของพระพักที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็พักเก่าก็ช่วยๆกันดูในช่วงนั้นก็การงานก่อนจุดๆไว้ก่อนพร้ไว้ก่อนก็ได้ภายในวัดอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนก่อนอันไหนควรจะก่อนอันไหนควรจะหลังอันไหนควรจะพักไว้ก่อนอันไหน งานด่วนอะไรงานไม่ด่วนแต่ขอให้พวกเราช่วยๆกันคิดอ่ะอันนี้ก็แขกคนเข้ามาสู่วัดมันก็เป็นหน้าที่ของพระทุกองค์ให้ ช, ช่วยกันดูตอนรับขับสู่อย่างไรเสนาสนะที่พักผ้าอาศัยก็ให้ช่วยๆกันดูถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็นู่นแ่ะแต่ที่ตําหนักรับรองแขกแต่หลังไม่ใช่หลังหลังตําหนักนะหลัง ผู้ติดตามน่ะสองหลังให้ไปพักก็ได้อย่างลงตาวัดลงตาก็เหมือนกันหลังที่ตอนรับแขกคนมาท่านให้ไปพักก็ได้สองหลังว่าฝ่ายอุบาสิกามันเต็มไปพักทังนู้นทั้สองหลังนันก็ได้เพราะมีห้องน้ำอะไรก็มีอยู่อันนี้เือช่วยๆกันคิดนะะพวกเราแล้วต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พร